เจนินพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัน เพื่อมาทำความดีมาทำบุญมาละบาปมาชำระใจให้สะาดบริสุทธิ์เพราะศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมนันใดไว้ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นการที่พวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีความแตกต่างกันทั้งด้านความสุขความเจริญทั้งด้านความทุกข์ความเสียหายทั้งด้านฐานะ ก, การเงินการทองรูปร่างหน้าตาอายุสั้นยาวสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรงหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือมีอวัยวะไม่ครบ32สองประการเหล่านี้มีเหตุมาจากกรรมกรรมก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่เราได้ทำม า, มากน้อยต่างกันไป ในแต่ละาพบแต่ละชาติาการเหล่านี้เป็นผู้สมผลให้พวกเรามาเกิดที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันมีรูปร่างหน้าตาสวยงามไม่เท่ากันมีความรู้ความฉลาดไม่เท่ากันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสร้างกันมาเราจึงต้องมารับผล ของสิ่งที่เราทำกันในอดีตเราอาจจะไม่มีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาคอยสอนมาคอยเตือนให้เราคิดดีพูดดีทำดีให้เราทำบุญละบาปชำระใจโดยการกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ พอเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาคอยสอนคอยเตือนเราก็จะถูกกระแสของอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจเราพาให้เราคิดพาให้เราพูดพาให้เราทำเวลาที่เรามีอารมณ์ดีเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีเวลาที่เรามีอารมณ์ไม่ดีเราก็จะพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดี พอเราทำไปแล้วมันก็สะสมขึ้นมาเป็นเหมือนกับเงินทองที่เราไปฝากไว้ในธนาคารหรือที่เราไปกู้มาถ้าทำคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็เหมือนกับไปกู้หนี้ยืมสินทางธนาคารมากู้เงินมาถ้าคิดดีพูดดีทำดี ก็เป็นเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารบุญก็คือเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารบาปก็คือหนี้สินที่เราไปก่อไปสร้างเอาไว้พอถึงเวลาที่เขาต้องออกดอกออกผลถ้าเป็นบุญเราก็ได้ดอกเบี้ยถ้าเป็นบาปเราก็ต้องใช้หนี้ใช้กรรม จึงทำให้เรามาเกิดมีความสุขมีความทุกข์ไม่เข้ากันถ้าเราอยากจะมีความสุขไม่มีความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ต้องบอกว่าให้พวกเราต้องทำบุญอย่าทำบาปแล้วถ้าพวกเราเบื่อกับการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดซ้าแล้วซ้ำอีกเราก็ต้องทำลายเหตุ ที่ทำให้พวกเรากลับมาเกิดกันเหตุก็คือความอยากต่างๆนี่มีอยู่สามข้อใหญ่ๆคืออยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นอยากไปเที่ยวอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากอยู่กับคนนั้นอยู่กับคนนี้ความอยากเหล่านี้ทําให้เราต้องกลับมา หาร่างกายใหม่สร้างร่างกายใหม่พอได้ร่างกายใหม่แล้วเราก็ใช้ร่างกายอันนี้พาเราไปทำตามความอยากต่างๆตั้งแต่เราเกิดมา น, นี้มีใครสอนให้เราอยากบ้างหรือไม่ความอยากนี้ไม่ต้องมีใครสอนมันอยากมาอยู่ในใจตลอดพอมันมีโอกาสทำตามความอยากได้มันก็จะทำทันที เห็นอะไรอยากได้ก็จะคว้ามาทันทีนี่คือความอยากที่ทำให้เรามาเหวียนไหวตายเกิด sí กันนอกจากความอยากทางตาหูจมูกนิ้นายแล้วยังมีความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีหน้ามีตามีคนนับหน้าถือตาอยากร่ำอยากรวย อันนี้ก็เป็นความอยากที่จะฉุดลากให้เราต้องมาเกิดใหม่ความอยากอีกอย่างก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่มีเรื่องราวีปัญหาต่างๆความอยากเหล่านี้ทาให้เราต้องดินอยู่เฉยๆไม่ได้ อดีนใจก็เลยต้องไปไปทำตามความอยากทำเสร็จแล้วก็เกิดความอยากใหม่ตามมาความอยากไม่ได้หมดไปกับการทำตามความอยากถ้าอยากจะให้ความอยากหมดไปก็ต้องหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากเช่นอยากจะไปเที่ยวก็อยากไปอยากไปทุกครั้งที่เราอยากไปเที่ยวเราไม่ไป เดี๋ยวต่อไปความอยากไปเที่ยวมันก็จะหมดไปนี่คือการการที่ทำให้เรามาเกิดพอเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูอร่างกายต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องดูแลรักษาป้องกันภัยต่างๆแล้วพอร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ก็เอาร่างกายนี้ไปทำตามความอยากต่างๆไปเที่ยวไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปสวยหาอะไรต่างๆที่อยากจะได้แต่หามาได้เท่าไหร่ในที่สุดก็ต้องหมดไปเพราะร่างกายที่เป็นเครื่องมือนี้ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปพอตายแล้วก็ต้องมาเกิดใหม่อีก พวกเราจึงวนอยู่อย่างนี้เหมือนกับขับรถวนอยู่รอบวงเวียนไปไม่ถึงไหนมีแต่หมุนรอบอยู่กับวงเวียนมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านรอบแล้วแล้วก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เราหยุดการ เวียนไหวาตายเกิดกันเพราะการเวียนไหวาตายเกิดนี่มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขความสุขที่ได้รับจากการเวียนไหวาตายเกิดกับความทุกข์นี้มันไม่คุ้มกันได้ไม่คุ้มเสียได้สุขเพียงนิดเดียวแต่ได้ทุกข์เสียส่วนใหญ่น้ําตาที่เราหลังนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดไว้ว่า ถ้าเราเอาน้ําตาที่เราร้องไห้ในแต่พระภพ่ละชาติมารวบรวมกันน้ําตาของเรานี้จะมีมากกว่าน้ําในมหาสมุทรซีคิดดูก็แล้วกันว่าเราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาร้องหย่ร้องไห้กี่แสนล้านครั้งกันถึงจะได้มีน้ําตามากกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือ วิถีชีวิตของพวกเราถ้าพวกเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนําเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติคือให้เราทําบุญละบาปให้เราชาระ ตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าเราทำได้สำเร็จเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราจะอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดคือชั้นพระนิพพานที่ไม่มีวันเสือ่อมสวรรค์ชั้นเ น, นือๆนี้ยังมีวันเสื่อมอยู่เช่นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพร พอเราทำบุญละบาปเราก็จะไปเกิดเป็นเทวดาบ้างไปเป็นพรหมบ้างแต่เป็นได้อยู่ระยะหนึ่งบุญที่ส่งให้เราไปเป็นเทพเป็นพรหมก็จะหมดกำลังเหมือนกับรถยนต์ที่เติมน้ำมันพอขับไปเรื่อยๆไม่นานน้ำมันก็จะหมดถมังพอหมดถมังก็ต้องกลับมาเติมน้ำมันใหม่ เราก็เหมือนกันเราทำบุญละาบาปก็เหมือนกับเราได้เติมน้ำมันให้แก่จิตใจของเราพอร่างกายเราตายไปจิตใจของเราก็ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วก็ไปเสวยไปเสดความสุขของสวรรค์ชั้นต่างๆนั้นจนกว่าบุญที่ส่งให้เราไปนั้นหมดกำลังพอหมดกำลังแล้ว เราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เหมือนกับรถที่บุนน้ำมันก็ต้องขับไปจอดที่สถานบริการเพื่อไปเติมน้ำมันใหม่ภพชาติของมนุษย์นี้จึงเป็นภพของของการมาเติมน้ำมันนี่ถ้าเราอยากจะมีน้ำมันเพื่อที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายที่ดี เราก็ต้องหมั่นทำบุญละบาปอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ทำบุญละบาปเมื่อก็เหมือนกับเราไม่เติมน้ำมันพอน้ำมันลดหมดแล้วเราก็ต้องเดินต้องเข็นรถไปแทนที่จะนั่งรถรถไปต้องเข็นรถไปการเข็นรถนี่ก็คือการไปเกิดในายบายนั่นเองแทนที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วก็ไปเกิดเป็น เดระฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นนศรกายบ้างไปตกนรกบ้างเพราะการไม่ทำบุญไม่ลาบาสนั่นเองไม่ลาบาปก็คือไม่ลาเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดรเสพสุรายาเมาถ้าเรายังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่ก็เหมือนกับเราไปจองที่พักไว้ในอบายแล้ว จองที่พักไว้เป็นเดรัจฉานบ้างจองเป็นเปรตบ้างจองเป็นนสุลกายบ้างจองเป็นสัตว์นรกบ้างถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปเกิดนอยบายเราต้องพยายามรักษาสีนห้าให้ได้ตลอดเวลาเพราะสีลห้านี้จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดนอบายนั่นเองแล้วให้เราทำบุญมากๆ เพราะว่าเวลาเราตายไปนี้บุญกับบาปที่เราทำไว้จะมาแย่งดวงจิตดวงใจของพวกเรากันถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงเราไปอาบายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ถ้าบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือวิธี การเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราอยู่ที่บุญกับบาสนี้มาคอยฉุดลากจิตใจของพวกเราให้ไปสูงให้ไปต่ําและไม่มีใครเป็นผู้สร้างบุญสร้างบาปนอกจากตัวเราเองเป็นผู้สร้างบุญสร้างบาในชาติก่อนๆถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็จะทําบุญทําบาปไปตามอารมณ์ของเราอารมณ์ดีเราก็ทําบุญ อารณ์ไม่ดีเราก็ทําบาปจึงส่งให้เราต้องกลับมาเกิดสูงสูงต่างๆบางพบถ้าบาปมีมากกว่าบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างบางพบบุญมีกําลังมากกว่าบาป ก, ก็ส่งให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆบ้างนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรา แต่พอเราได้มาพบกับพ่อพุทธศาสนาพบกับคำสอนของ พ, พ่อพทธเจ้าแล้วถ้าเรามีความเชื่อมีความศรัทธาสามารถปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนได้เราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆและไปสู่สรรชั้นสูงสุดได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ การที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องทำลายเชื้อรื่ยเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันเหตุก็อย่างที่ได้แสดงไว้แล้วสามข้อกามาตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลด พ, ภรพระภกควภวะตัหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะตัหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเราต้องทำลายความอยากทั้งสามอันนี้ ส่วนความอยากอย่างอื่นนี่เช่นความอยากทําบุญนี่ไม่เป็นไม่เป็นกิเลสไม่เป็นเหตุที่จะทําให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะการทําบุญนี้จะทําให้เราไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดการอยากทําบุญการอยากรักษาศีลการอยากไปวัดไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมการอยากเหล่านี้เรียกว่าเป็นมรรคคือเป็นเหตุที่จะพาให้เรา ได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะการกระทําเหล่านี้เป็นการกระทําเพื่อตัดความอยากต่างๆนั่นเองเช่นวันนี้เราอยากจะทําบุญเราก็เอาเงินทองนี่มาซื้อข้าวซื้อของแล้วก็เอามาถวายพระแทนที่จะเอาเงินทองนี้ไปทําตามความอยากอย่างอื่นเช่นอยากไปเที่ยวอยากจะไปดื่มอยากจะไปรับประทาน แทนที่จะเอาเงินนี้ไปทำตามความอยากที่จะทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็เอาเงินนี้มาทำตามความอยากที่จะทำให้เราหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือความอยากที่ดีอยากอยากมาทำบุญทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของที่ไม่จำเป็นที่เราไม่ต้องมีเราก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนขอให้เราอย่าทำตามความอยากเหล่านั้นขอให้เราเอาเงินมาทาบุญทาทานจะดีกว่าเพราะจะทำให้ความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายคือการมากันหานี้เบาบางลงไปอ่อนกำลังลงไป แต่จะไม่สามารถทำให้หมดไปได้ต้องใช้การปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไปก็คือทำขั้นรักษาศีลรักษาศีลหรักษาศีลแรักษาศีลสรอิบเจอันนี้ก็จะทำให้ความอยากนี้อ่อนกำลังลงไปอีกระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ตายยังไม่หมดถ้าจะให้หมดนี้ต้อง ปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือขั้นภาวนาขั้นสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือการทำใจให้สงบเช่นเวลาเรานั่งสมาธินี้เรียกว่าเรากําลังเจริญสมถะภาวนาเราต้องการทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบความอยากก็จะทำงานไม่ได้ความอยากก็จะหายไปชั่วคราว แต่ไม่หายไปถาวรพอออกจากความสงบมาพอมาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากก็จะโผล่ออกมาได้เพราะยังไม่ได้ตายด้วยกาลังของสมาธิสมาธินี้ทำลายความอยากไม่ได้เหมือนกับหินทับหญ้าหินที่ทับหญ้านี้ไม่สามารถทำให้หญ้าตายได้เพียงแต่ไม่ให้หญ่างอกงามขึ้นมา แต่เวลาเราเอาหินออกยกหินออกทิ้งไว้สักระยะหนึ่งพอฝนตกเดี๋ยวหญ้าก็งอกเงยขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะไม่ให้ถ้าอยากจะให้หญ้าตายไม่มีวันที่จะงอกขึ้นมาได้เราก็ต้องถอนรากถอนโคนพอถอนรากของหญ้าออกมาแล้วย้ามันก็ตายไม่มีวันที่จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ ชันใดความอยากของเราก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถที่จะทำให้ความอยากหายไปได้อย่างถาวรด้วยกำลังของสมาธิเพราะสมาธินี้จะเพียงแต่กดความอยากเอาไว้เท่านั้นถ้าอยากจะให้ความอยากนี้หมดไปต้องใช้การปฏิบัติขั้นต่อไปคือขั้นวิปัสสนาภาวนาหรือปัญญาปัญญานี้จะเป็นผู้ถอนราก ของความอยากรากของความอยากคืออะไรก็คือความหลงความไม่รู้ความเห็นผิดเป็นชอบนม่เเห็นว่าการทำตามความอยากแล้วจะมีความสุขแต่ความจริงแล้วมันเป็นความทุกข์เช่นคนอยากอยากเสพยาเสพติดเขาก็คิดว่าได้เสพยาเสพติดแล้วจะมีความสุขแต่เขาไม่คิดว่า เสพแล้วนั้นแล้วเขาจะติดเพราะความอยากที่เสพนี่มันไม่ได้หมดไปกับการได้เสพยาเสพติดพอเสพยาพ อ, อยาเสพแล้วไปเสพก็มีความสุขแล้วความสุขนั้นสักระยะหนึ่งก็หมดไปพอความสุขนั้นหมดไปความอยากจะเสพอยากจะได้ความสุขอีกก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องเสพอีกถ้าเสพมากๆเดี๋ยวร่างกายก็ต้อง เจ็บไข้ได้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้หรือถ้าอยากจะเสพแล้วไม่มียาให้เสพก็จะทุกทรมานใจถ้าทนไม่ไหวก็ต้องไปซื้อมาถ้าไม่มีเงินก็ต้องไปลักทรัพย์ไปขโมยไปทำบาปแล้วก็ต้องถูกเขาจับไปเข้าคุกเข้าตารางต่อไปนี่คือโทษของความ การกระทำตามความอยากเราต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอันตรายเป็นโทษกับจิตใจของเราเพราะมันไม่ได้ทําให้จิตใจของเราสงบมีความสุขอย่างแท้จริงแต่จะทําให้ชดใจของเราวุ่นวายวุ่นวายกับการหาวุ่นวายกับการหาเงินทองด้วยการทําบาปแล้วก็วุ่นวายกับการหนีเจ้าหน้าที่ตารวจ แล้วก็วุ่นวายกับการถูกจับขังคุกขังตารางมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องมีแต่ความทุกข์ถ้าเราปล่อยให้ใจของเราทำไปทำตามความอยากต่างๆแต่ถ้าเราฝืนใจสอนใจว่าอย่าทำเลยความสุขที่เราได้นี่ไม่คุ้มกับความทุกข์ที่เราได้มาสู้เราะทำใจให้สงบดีกว่า นั่งสมาธิดีกว่าเวลาใจสงบแล้วใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอนี่คือการใช้ปัญญาพอเราเห็นโทษของความอยากต่อไปเราก็จะไม่กล้าทาเหมือนกับถ้าเรารู้ว่ายาที่เราดื่มทุกวันนี้เป็นยาพิษไม่ใช่เป็นยารักษาโรคเราก็จะไม่อยากจะดื่มอีกต่อไป อันใดการกระทําตามความอยากก็เป็นอย่างนี้ทําแล้วก็จะพาให้เราต้องทําต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดชาตินี้ตายไปแล้วถ้านหน้าพอไปเกิดใหม่ถ้าเคยติดยาเสพติดก็จะกลับไปติดยาเสพติดใหม่ถ้าเคยติดสุราก็จะไปเสพสุราใหม่ถ้าเคยติดการเล่นการพนันก็จะไปติดใหม่เพราะมันฝังอยู่ในใจความอยากเหล่านี้ มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้ไม่มีอะไรที่ที่เราฝากไว้ในร่างกายเลยของต่างๆที่เรากระทำอยู่นี่เราฝากไว้ในใจทุกสิ่งที่อย่างที่เราทำนี่มันฝังอยู่ในใจเราเราทำให้เราต้องไปทำต่อเราชอบอะไรพอไปเกิดชาติหน้าเราก็จะไปหาสิ่งที่เราชอบต่อ เราไม่ชอบอะไรเราก็จะหนีเราจะไม่หาสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นเราไม่ชอบทำงานชาติหน้าเราไปเกิดเราก็จะไม่ชอบทำงานเราก็จะคอยหนีงานถ้าเราไม่ชอบเรียนหนังสือชาติหน้าเราก็จะหนีโรงเรียนแต่ถ้าชาตินี้เราชอบเรียนชอบไปโรงเรียนชาติหน้าเราไปเกิดใหม่เราก็จะชอบไปโรงเรียนใหม่ อันนี้มันจะเป็นนิสัยฝังกับเราไปนิสัยดีเรียกว่าบุญนิสัยไม่ดีเรียกว่าบาปเพราะนั้นพยายามเราอย่ามาสร้างนิสัยที่ไม่ดีกันเพราะมันจะฉุดลากให้เราลงต่ำฉุดให้เราเข้าสู่กองทุกข์ฉุดให้เราเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราสร้างนิสัยดีมันก็จะฉุดให้เราไปสู่ที่ดีฉุดให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิด วิสัยที่ดีที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นสร้างกันก็อยู่3มข้อนี้เองก็คือทำบุญอยู่เรื่อยๆรักษาศีลไม่ทำบาปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่เรื่อยเพื่อทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วมีความสุขก็จะฝืนความอยากได้สู้กับความอยากได้เวลามีความอยากก็ใช้ปัญญาสอน ว่ากำลังเดินเข้าหากองไฟกำลังเดินเข้าหาพิษภัยต่างๆถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์ไม่อยากจะเจอพิษภัยต่างๆก็อย่าไปทำตามความอยากนั่งสมาธิดีกว่านั่งสมาธิแล้วสุขสบายไม่ต้องไปดิน้นรนหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาคน น, นนั้นคนนี้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้ มาให้ความสุขหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้ ว, ลวเวลาสูญเสียสิ่งที่หามาได้ก็จะเศร้าโศกเสียใจนี่แหละคือโทษของการทำตามความอยากใจปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วฝึกทาใจให้สงบให้มีความอิ่มความพอถ้าเรามีความอิ่มความพออยู่ในใจแล้วความอยากจะไม่สามารถหลอกให้เรา ไปทมตามความอยากได้พอเราไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็เย็นสบายตลอดเวลาอยู่ที่ไหนอยู่ทำอะไรก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายทาก็ได้ไม่ทาก็ได้ที่ทำไม่ได้ทำเพราะความอยากทำเพราะความจำเป็นเช่นเวลาต้องรับประทานอาหารก็รับประทานไป มีก็รับประทานไม่มีก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่หิวใจอิ่มผู้ที่จะเดือดร้อนก็คือร่างกายเท่านั้นเองแต่ถ้าจําเป็นมันไม่มีกินจะทำยังไงก็ต้องปล่อยให้ร่างกายอดไปปล่อยให้ร่างกายตายไปไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็ต้องตายไปอยู่ดีแต่คนที่มีความสุขใจมีความอิ่มใจจะไม่ไปทำบาปเพื่อมารักษาร่างกายเช่น ไม่มีเงินเสื้ออาหารก็จะไม่ไปขโมยอาหารมารับประทานจะไม่ไปรับทรัพย์เพื่อไปซื้ออาหารมารับประทานจะ ย, ยอมอดถ้าหาหาด้วยวิธีที่ไม่ไม่ต้องทำบาปไม่ได้ก็ยอมอดตายเพราะใจไม่เดือดร้อนใจอิ่มใจพออยู่ตลอดเวลานี่แหละคือเรื่องของกรรมเรื่องของวิบาก ถ้าพวกเราทางตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้ภพชาติของพวกเรานี i จะดีขึ้นไปตามลำดับเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาจนถึงภพสุดท้ายท่านก็ได้เกิดเป็นเจ้าชายสิทธธัตถะแล้วก็ได้ออกบวชได้ตัดสัตวเป็นพระอาหาันตาสามมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน เพราะเหตุกับผลนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับกาลเวลาเหตุย่อมเป็นเหตุผลย่อมเป็นผลถ้ามีเหตุก็ย่อมเกิดผลขึ้นมาเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกส้มเราก็ต้องได้ผลส้มถ้าเราปลูกมะละกอเราก็ต้องได้ผลมะละกอไม่ว่าจะไปปลูกที่ไหนเวลาใดมันก็จะเป็นอย่างนี้เสมอ ชั้นใดถ้าเราทําตามที่พระเจ้าได้ทรงทำแล้วได้เอามาสั่งสอนพวกเราถ้าเราทําตามเราก็จะได้ผลอย่างที่พระพเจ้าได้รับดังนั้นขอให้เรามีความมั่นใจมีความแน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพยายามปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วรับรองได้ว่าผลที่เรา บาดธนากันก็คือการหมดทุกข์หมดโศกการได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วคร่ดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเทอ